อง้ตททา阿拉 เ, เข้ามาสู่ในช่วงของแคสสต t u กันเลยจ้ะลูก เป็นนักเรียนอนุบาฝันในฝันวิทยาอยู่ที่อรัฐอิเลนไนเมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาขวัดมาปี2533โอนิกนารานเหมือนกันเนาะโดยคุณป้าเป็นกัลยาณมิตรจริงนะไม่รู้เดี๋ยวมาสร้าบวเรามีกมุคณนะจนถึงปัจจุบันนี้ครับ เรากล่าวว่าความเมตตาส่งเรื่องราวแคสตัดดี้ไปถึงหลวงพอ่ออย่างนี้ครับครอบครัวลูกเป็นชาลัมปูนอ่าลําพูนอีกแล้วโอ้วันนี้วันลําพูนนี่ยังไงคุณพ่อแม่มีลูกสามคนชายสองหญิงหนึ่งลูกเป็นลูกชายคนโตครับคุณพ่อเป็นคนใจดีใจบุญชอบทําบุญตักบาทชอบศึกษาธรรมปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่เสมอทำมีอาชีพเป็นช่างซ่อมนาฬิกา เมื่ อ, อยุ่เอได้26ปีจึงได้แต่งงานกับคุณแม่ต่อมาเมื่ อ, อยุ่ดสาิห้ปีคุณพ่อก็พาครอบครัวมาประกอบอาชีพเป็นเอเจนต์ขายบุหรี่อยู่ที่จังหวัดสระบุรีมีไรายได้ดีมีฐานะดีขึ้นด้วยคุณพ่อได้เป็นตัวแทนสมบุรีขายกับร้านค้าตามอำเภอต่างๆในจังหวัดสระบุรีโหติดสระ บ, บุรีนี่มีแต่เลิกบุหรี่กันเนอร้านอะไรจบบุ จากนั้นก็จะตามเก็บเงินตามร้านค้าต่างๆที่ลั บ, บุหรี่ไปขายแม้คุณพ่อจะไปในเย่งขายบุหรี่แต่ก็ไม่เคยสื้อบุหรี่ซื้อขายบุหรี่ให้เขาสูบ <c oughs> ก็เข้าขายเล่าก็ไม่ดื่มไปด้วยครับแต่ในปี2508ก็มีเหตุการณ์ที่ขาดไปถึงเกิดขึ้นกับคุณพ่อคือวันหนึ่งท่านขับรถมอเตร์ไซเพื่อไปเก็บเงินค่าขายบุหรี่ตามร้านค้า แต่ระหว่างทางกเกิดอุบัติเหตุถูกรถยนต์พุ่งชนอย่างแรง oh. ทำให้อ่างกระเดมกระแทกกับกระโปรงหน้ารถยนต์ oh. แล้วก็เข้ารักษาในโรงพยาบาลสองวันกระเสียชีวิต oh. ละเลือดข้างในสมองอายุได้47ปี oh. คุณแม่ลูกแต ง, งาคุณพ่ออายุได้27ปีทั้งสองรักกันมากว่าอย่างไรก็ว่าตามกันคุณแม่ เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนเป็นแม่เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนคอยดูแลลูกๆแล้วก็ค้าขายเล็กๆน้อยๆรณนั้์ขายบุหรี่อยู่กับบ้านด้วยคุณแม่ทำตามคำแนะนำของคุณพ่อดีๆไม่เคยมีปากมีเสียงกันเลยแล้วคุณแม่ก็จะเป็นคนใจบุญอีกด้วยชอบทำบญท่ากระถินท่าป่าทำบนักบา ท, ทุกช้าไม่เคยขาด และจะคอยพร่มสอนลูกๆทุกคนว่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าไปทำบาปนะลูกอย่าไปทะเลาะหรือนินทาใครนะลูกต้องเป็นคนดีนะลูกซึ่งคำสอนนี้ลูกๆก็จะได้ยินอยู่เสมอต่อมามอปี2508หลังจากที่คุณพ่อประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตอย่างกระทันหันท่านกบพาลูกๆ้าติข้ครัวมาอยู่ที่บ้านเกิดในจังหวัดลาพูน ท่านบอกกันเต็งคแม่จะเป็ น, นสายตาสั้นที่พออายุได้82ปีท่านก็เริ่มมีสายตาฝ้าฟางและมองไม่เห็นพระชาราแล้วก็หลงหลงลืมลืมเดินเองไม่ได้ด้วยแต่ก็พอลุกนั่งทานข้าวช่วยเหลือตนเองได้จ น, นอายุได้85ปีแม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้เลยแต่ก็ได้น้องสาวคนเล็กคอยดูแลป้อนข้าป้อนน้ําอาบน้ําทําความสะอาดให้ เละช่วงนั้นน้องสาวก็ได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายแล้วล<ะ>เธอก็ได้ไปทำบุญต่างๆให้กับคุณแม่ที่ทวดงค์สถานล้านนาะตัวลูกก็ได้สร้างพระธรรมกายยำตัวให้ท่านหนึ่งองค์ทําบุญระทีโคมไฟทำบุญต่างๆกับทางวัดให้ท่านด้วยซึ่งอาการป่วยก็ดีขึ้นทั้งตัวลูกและน้องสาวช่วยกันดูแลคุณแม่ยามท่านแก่ชารา เป็นคุณความดีที่ลูกควรกระจำอยู่ต่อพ่อแม่ไว้มันทั้งสงความดีไว้ความดีก็จะส่งผลให้ได้ดีจนคุแม่มาอยุได้แปดสิบแปดีอาการเปิดคุณแม่ก็สุดหนักลงจึงต้องนำส่งโรงพยาบาลไปตรวจ ร, ร่างกายอีกครั้งส่งผลปรากฏ ว, ว่าหมอตรวจพบก้อนเนื้อทะลูกเทนิดอยู่ที่ปอดซึ่งคาดว่าจะเป็นมะเร็งปอดหมอได้ปรึกษาน้องสาวว่า จะผ่าตัดทำการรักษาไหมน้องสาวกลั ว, ว่าคุณแม่จะทร ม, มานเพราะอายุมากแล้วแต่จะให้หมอรักษาตามอาการโดยไม่ต้องผ่าตัดแล้วเธอก็อยู่ดูแลท่านอย่างกระไ้ชิดซึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งวันก่อนคุณแม่จะเสียชีวิตน้องสาวก็ได้เชิญแม่ทำสึกชิงพบตลอด oh. คือพูดเรื่องบุญที่ท่านเคยทำให้ฟังตลอดให้อตทีวโซพุโทโธสัมมาอรหัง อ้ น, นี่ถึงพระในเวลาตักบาตรตอนเช้าเราน้องเปิดเทปสวดบนให้ฟังตลอดเวลาอีกด้วยจนเช้าวันที่สิบสองธันวาคมสองห้าสี่แปดน้องสาวซึ่งอยู่ดูแลเป็นแม่อย่างกละไชิดก็ตั้งแปลกใจเพราะเธอได้ยินเสียงนกที่ร้องดังมากอยู่นอกห้องคุณแม่และจะเป็นหน้าอาการท่านก็นสุดหนักลงเลยเสียงนกร้อง ท, ทึ่ทึเนี่ยอืมเรามาเลี้ยงไม่มึงหิองือฟังทึ่งอืม เ, เ, เอาฟังเสียงนกครอก้อนี่นก็ท่าดีเหมือนเลยอืมนกเองกับ น, นกเสือกกา เสียงเงินที่ข้างกองขี้ควายเนี่ยกองหนึ่งสลึ้งหนึ่งกองหนึ่งสลึง้งไอตัวบอกกองหนึ่งฟืองหนึ่งกองหนึ่งเฟืองนกถือมาที่ไหนบอกอือหืออือหือไอค่าแพงจังเลยอือหือแต่นกอย่างนี้ใช่หรือเปล่าก็ไม่ทราบเสียงนกนี่โอ้ตอนคุณยายเด็กๆท่านก็นเจอเหมาเงานิน ก็หลาฟังนอนคุณอาจารย์นอนเด็กๆเกพราะเสียงไอ้นกตัวนี้ร้องมันจะร้องสามกุกสามทีแล้วมันเลิกร้องเลยกู้กู้กูท่านบอกโอ้มันมีตัวอะไรไม่รู้ดาใหญ่เอาไปจะกอภัยมาที่ตัวท่านจะมาทับท่า น, นนะอะไรอย่างเง้ยไอ้นกร้องตัวนี้ะอะไรไอ้ตัวนั้นออกมาทุกที <laughs> ท่านก็ต้องนอนเบียด คุณแม่นั่นในที่ก็นอนตรงกลางเอาพีนอนา่อยู่องมันมันก็ยังมาไายนกพวกนี้มาเนี่ยร้องกูกูก้สามกู้ ก, ก็นั่นเองเรียกน้องถ้าเรียกว่า น, ก, า ก, านกสามกุมกมันทําไมมีอารมณ์ร้องกันแ ล, แล้วก็หมดอารมณ์ไปเลยนี่ร้องใหม่อีกแล้วนกร้องดังมากอยู่นอกห้ อ, กองคุณแม่นอนห้องคุณแม่แล้วยังบาารรยากาศท่านก็นสุดนัากลงเลย มีการหอบหายใจเร็วมากเธอจึงนำพระมหาสิริราชธาร์และพระมหาจินดามณีใส่ไว้ในมือให้คุณแม่คุมไว้ อ, อกตกดึกน้องสากับพระมติดไกระเสื้อเวลาตีสี่ห้าสิบนกาของรุ่งเช้าที่สิบสาธันวาคมสองพสิบปดคุณแม่กระจากไปเดีากาสงบน้องชายคนที่สอนเป็นคนเงียบขรึมไม่เคยพูดแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไอสูบบุหรีอ่อะน่าจะดีเนะี่ย จะเพิ่งคนโกรธง่ายหายเร็ว<า>ถ้าโกรธยากหายเร็วก็จะดีนี่นนเขาเป็นอาชีพรับรบาช ก, การครูอืมครูนี่ไม่ใช่ธรรมดา น, นะนนาอาชีพที่สูงส่งเส้นทางพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระบระมครูนี่นี่น้องชายคนที่สองนี่เข้ามาสู่เส้นทางสายนี้ทีเดียวถ้าไม่มีครูน่ะคนโง่งทั้งโลกเลยนะน งอหมดอ่ะครูนี่สําคัญนะเพราะนั้นครูต้องคิดให้ดีๆนะต้องมีปิติและป้าภูมิใจเวลาเป็นครูเนี่ยเกิดมาสอนคนเราเป็นแสงสว่างให้กับคนเขาเหมือนดวงตะวันที่ส่องแสงสว่างสันโลกใบนี้โลกขาดดวงตะวันไม่ได้ฉันใดก็ขาดครูไม่ได้ฉันนั้นเลย ครูในสําคัญเพราะนั้นการเป็นครูเนีต้องปลื้มใจนะให้ดีใจบิติละปาภูมิใจนะี่ถ้าหากว่ายังไม่ปลื้มบิติใจยังไม่เรียกว่าเป็นครูที่สมบูรณ์คล้ายๆโอ้เราไม่รู้จะไปไหนเป็นครูดีกว่าไม่ใช่นะโอ้เราอย่ายไปเป็นอย่างอื่นเลยเราเป็นครูเถ อ, อะอาอย่างนี้ตึงจะถูกหลักวิชาไม่เอาให้ไปเป็นไรไม่เา้าขอเป็นครูเพราะครูคือผู้ให้แสงสว่าง ก็จะมาเป็นครูได้นี่ไม่ใช่ง่ายนะต้องมีบา ร, รมีทีเดียวเลยเพราะว่าสอนวิชาชีพเนี่ยก็ยังโอเคเนะี่ยแต่เป็นครูที่เป็นปูชนียบุคคลเนี่ยต้องสอนคุณธรรมควบคู่ไปด้วยความรู้คู่คุณธรรมตรงนี้สิมันยากเพราะว่ายากยังไงคนเราเนี่ยจะอดทนต่อความร้อนเนี่ยแดดออกเนี่ย ได้ฝนตกได้อากาศหนาวได้อดทนต่อความทุกข์ยากละบากในได้อดทนต่อความหิวความกระหายได้แต่อดทนต่อการสั่งสอนอยาก <c oughs> ไม่เชือไปลองอบรมใครดูเลย <c oughs> จะไปตักเตือนใครสอนใครเนี่ยเราต้องเสี่ยงว่าเขาจะโกรธไหม แต่เวลาจะสอนความรู้คู่คุณธรรมเนี่ยมันเสี่ยงนหะคือให้เลือกเลือกอยู่เฉยดีกว่าอยู่เฉยเรปลว่าเท่าทุนเขาไม่โกรธเราแต่เวลาจะสอนใครเนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายเลยอดทนอย่างกันอดได้แต่อดทนต่อคำสั่งสอนนี่ไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นครใครมาทำอาชีพเนี่ยหน้าที่ตรงนี้นี่จึงถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้เสียสละมากทีเดียว ไม่กลัวว่าใครจะโกรธฉันจะให้ความรู้กับหนทางอันประเสริฐกัเธอผู้เป็นสิทธิ์ของฉันประดุดบุตรที่เกิดในอุทรอย่างนั้นนี่เส้นทางของครูทีเดียวนะจ๊ะแปลกนะนี่อดทนอย่างอื่นได้หมดอดทนในคมสอนไม่หคห้อยได้จะตักเตือนที่ไม่หคห้อยได้ไม่รู้มันเป็นยังไงนะทั้งทงมันเจ็บกับมเจ็บปวดก็บมาปวดนะอ๋อ มันแปลกทีเดียวเนอะมันแปลกจังนะเห็นไหมเจ้าว่าเป็นครูไม่ใช่นยังไงนี่เพราะนั้นเนี่ยครูไม่ใหญ่เลือกอาชีพนี้เป็นครูไม่ใหญ่แล้วทำไมถึงชื่อครูไม่ใหญ่ก็เพราะว่าเป็นครูไม่ใหญ่ไงเพิ่งฝึกศอนนี่วันที่9พฤษภาคมที่จะครบ4ปีเพิ่งฝึกสอนไม่ได้3ปีกว่า สอนไปกองความแกมๆกันไปสอนได้เฉพาะโรงเรียนรุปบ้านบาชั้นผถมก็สอนไม่ได้แล้วได้เรียกว่าครูไม่ใหญ่แต่ครูใหญ่กว่านี้นี่เขาจะสอนผถมมัธยมได้แต่ครูใหญ่ที่สุดนุ้กก็สอนนู่นระดับด็อกเตอร์อ ม, มีอชีพรอดรายการครูอยู่ในจังหวัดลำพูนจนเมื่อปีสอง2สิบสองก็มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นคือ วันหนึ่งน้องชายชวนเพื่อนคนหนึ่งไปดูหนังที่กําลังฮิตฮอตในช่วงนั้นมีชื่อเรื่องว่าชาติช้าเชี่ยวน้อยเป็นหนังเรื่องเกี่ยวกับมัดมัดมวยมวยตึงขาไปแล้ขากับน้องชายเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์มีเพื่อนซ้อนท้ายอยู่ด้านหลังจะขากลับระหว่างทางยังแวะเติมน้ํามันรถพร้อมกันนั้นน้องชายก็บ่นกับเพื่อนว่าโอ้เมือม่อยมืเมื่อยจังเมื่อยมื อ, มอแต่เพื่อนก็ บ, บอกงั้นเดี๋ยวเราขับเอง แต่นั่เพื่อนกับเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ส่วนน้องชายเป็นคนซ้อนท้ายแต่แรถล่านไปได้เพียงสิบกิโลเมตรกิ่งไม้ใหญ่บนต้นไม้ยางที่ขึ้นเลี้ยงรายอยู่ริมข้างทางจู่ๆก็มีอารมณ์หล่นลงมาฟาดเขาศีรษะน้องชายอย่างจังเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเออว่า ม, มีอารมณ์อย่างนั้นนี่ดูแต่ว่าภายหลังก่อนน้องชายจะเสียชีวิตก็มาทราบข่าวจากเพื่อนน้องชายว่า เขาเองเนี่ยตัวน้องชายถูกคนทรงทักว่าดวงถึงคาดนี่จึงทำให้ทําพิธีสะดะคราะห์ห้ามออกไปไหนจนจะครบเจ็ดวันแต่พอถึงวันที่เจ็ดน้องชายก็ได้ชวนเข้าไปดูหนังและน้องชายก็ได้มาจบชีวิตลงกระทันหันอยากจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งทุกคนก็ลองความเห็นว่าน้องชายตายแทนเพื่อนเพื่อนถูก อะไรล่ะถูกคนทรงทักไหมจ๊ะแต่น้องชายตายแทนน้องชายเจ้าของเคสแล้วอย่างลูกจึงได้ไปหาคนทรงอีกครั้งก็ได้ความมาว่าผีที่สิงอยู่บริเวณนั้นเป็นคนทําให้น้องชายเอ๊ะทาไมผีเป็นคนผีที่สิงอยู่บริเวณนั้นเป็นคนเออต้องเป็นผีทําให้น้องชายตาย ไม่ใช่โคนสามยังกากดวงวิญญาณเอาไว้ด้วยซึ่งญาติญาติก็ได้ไปทำพิธีถ่ายถอนเ ร, รียบร้อยแล้วครับส่วนตัวลูกออกจาบ้านเมื่อายุสิบขวบประโยชนคุณป้าเพื่อเรียนหนังสือที่กรุงเทพจนอายุได้25ปีก็เรียนจบป ร, ริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์จากนั้นยังเข้าทำงานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เ ป, ป็นเวลาสิบเปีแล้วก็มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาปีสองสอง ลูกดูงานอยู่ประมาณหเดือนดูไปดูมาจึงเจอเจอคนรักที่นั่นอากาศแต่างงานกันมาปีนั้นเองนี่ไปดูงานหรือไปแต่างงาน <S <S 1> <S 1> แต่เนี้ยมาปีสามสามลูกจึงกลับไปเยี่ยมคุณแม่ที่เมืองไทยแล้วก็ไปเยี่ยมคุณป้าที่กรุงเทพด้วยซึ่งคุณป้าก็เป็นกัลมิตคนแรกที่พาลูกไปรู้จกักข่าววัดพระธรมกายในครั้งนั้นแต่ลูกแองก็มีแรงจูงใจอยากจะมาวัดอยู่แล้ว เขเคยเห็นภาพกิจกรรมงานบุญต่างๆของวัดจากปฏิทินปี2530ที่อเมริกาและคุณป้า ย, ยังเล่าเรื่องงานบุญต่างๆของวัดให้ฟังด้วยอีกทั้งยังนำเทปสรมาให้ลูกฟังอีกสองม้วนซึ่งก็มีชื่อเรื่องว่า1การฝึกสมาธิเพื่อเข้ขาถึงพระธรรมกายของหลวงพ่อคอรูไม่ใหญ่2ท่าศรีของหลวงพ่อตัตจีโวจะ ก, การฟังเทปสองม้วนนี้ทาให้ลูกเกิดความเร้าใจ และสนใจในคำสอนมากต่อมาลูกยังไปหาซื้อเทพธรรมะมุนอื่นๆมาฟังด้วยจะลูกมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติธรรมและมีความเข้าใจวัดพระสรมกายด้วยจะนั้นมาลูกกลับอเมริกากระลุยสร้างบรมมีกระทังวัดย่างสลอดต่อ น, นึ่งซึ่งมาปีสามเจ็ดลูกก็เป็นผู้เริ่มถ่ายทอดเสียงวิธีบูชาข้าพระนวัธรมารามนครชิคาโก ต่อมาก็ย้ายไปจัดติสริปิบาธรรมชิคาโกแล้วก็เป็นผู้ร่วมบุกเบิกสร้างสูริปิบัติธรรมด้วยปัจจุบันก็กลายมาเป็นวัดภาวนาชิคาโก้กทั้งลูกกรไดล้วนทำบุญรอรูปเหมือนทองคำหลวงปู่องค์ที่หนึ่งสองและองค์ที่3บุญสร้างพระทําการจำตัวทั้งทําเองและบอกบุญอุโม16องค์ส ร, สร้างพระยอดเดิมและแกงกลางอย่ละหนึ่งองค์สร้างพระแกงกลางถวายครูมิใหญ่หนึ่งองค์ สร้างเสาเข็มค้ำจุนมหาวิหารพระมงคลเทวีหนึ่งต้นเป็นประธานทดองกษินปี4ี่หบุญหล่อพระบรมบุญเจ้าบุญลานทําบุญโคมมาคับประทีปบุญหล่อพระประธานอาคาร60สิบปีบุญสร้างเสาแก้วพันปีสามรต้นต่ละหนึ่งบาทบุญบวชพระธรรมทายาทนวัตประธรรมการแคลิฟอร์เนียสามครั้งและบวชสมณีตอนสลายร้างขุยาจารย์ด้วยครับ นึกได้หมดทุกบุญเลยนี่นึกได้ทุกบุญเลยก็ดีแลวจะให้ตั้งขายจากตรงบุญอาให้มากที่สุดเพราะเราต้องใช้บุญเป็นสเสบียงในการเดินทางเพื่อไปถึงเป้าหมายคือที่สุดที่ทำคำถ า, ามวิบากกรรมใดทำคนพ่อมาเป็นเอเจนต์ขายบุหรี่แต่ไม่ซูบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มแล้ว กรรมใดคุณพ่อจึงมีอายุสั้นถูกรถชนจนร่างกระเด็นไปนกระแทกกับกระโปรงรถทำให้เลือดข้างในสมองตายคุณพ่อตายแล้วไปไหนมีสภาพเป็นอย่างไรได้รับบุญธรรมทิพย์ไปให้หรือไม่ครับวิบากกรรมใดทําให้คุณแม่มีสายตาสั้นฝ้า ฟ, า, ฟางและมองไม่เห็นและกรรมใดท่านจะมีก้อนเนื้ออยู่ที่ปอดและหมอคาดว่าจะเป็นมะเร็งปอดถ้าเป็นมะเร็งกับเพราะกรรมใดทำ ไ, ไมใช่ท่านตายเพราะสาเหตุใด ท่านจะพ้นกรรมนี้ได้อย่างไรและบุญใดทำให้ท่านอายุยืนแม่ตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญหรือไม่อย่างไรในข้อเดียวในเจ้าเนี่ยเสียงเล่าที่น้องสาวได้ยินก่อนคุณแม่จะเสียชีวิตนั้นหมายความว่าอย่างไรใชายจะกรรมนายเวรจะมารับท่านไปใช่ไหมครับน้องสาวและข้าพรวงเขาคอยดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดท่านยังช่วยคุณแม่ทำสึกชิงพบด้วยเป็นเพราะเคยเกี่ยวข้องกับคุณแม่มาอย่างไร จะได้ในสงัอย่างไรจากการดูแลคุณแม่ครับครอบครัวน้องสาวสร้างบา ร, รมีกหมูขณะมาอย่างไรอิบากรำไดทําให้น้องชายอายุสั้นตายเพราะถูกกิ่งไม้ใหญ่ลิมถนนมีอารมณ์ล่นระมาไฟากับศรษะแล้วน้องชายเนี่ยตายแทนเพื่อนใช่ไหมครับออแล้วผีนะกักดวงวิญญาณเขาเอาไว้จนต้องไปทําวิธีถ่ายถอนตามที่คนสอนบอกหรือไม่ครับ คุณทรงต้องการเงินนะ่ะน้องชายตายแล้วเป็นไหนเดี๋ยวเะาบุญทิ บ, บไปให้หรือไม่อย่างไรมิบากรามใดทาให้ลูกไม่ได้อยู่คุณพ่อกับแม่ตั้งแต่อายุสิบครัวแต่ลูกจะได้ในส่วนอย่างไรที่เด็กส่งเงินให้คุณแม่ใช้ทุกเดือนแต่ไม่ได้ไปดูแลท่านอย่างใกล้ชิดอั น, นิกนาราศึกษานะจ๊ะตัวลูกต้องคอยดูแลชื่อเหลือตัวเองมาตั้งแต่เด็กเพราะกรรมใดแต่ทำไมตัวลูกและน้องสาควคนเล็กจึงมีสายสมบัติดตัวมันน้อยมาก อากระทำมันน้อยมากมันก็ติดมันน้อยมากอะไรเรามีวิบากกรรมมาอย่างไรมีวิธีแก้ไขได้หรือไม่อย่างไรวิบากมารคืออะไรครับถลุมมีวิบากมารต้องแก้ไขอย่างไรดีก็ต้องไปบอกมารให้อาวิบากออกบุญที่โลกได้เรเ ร, เริ่มทายทอดเสียงพิธีบูชาครับและและบุญที่โลกกับภรรยามีส่วนร่วมบุกเบิกสร้างสวนปิบัธรรมชิคาโก นี่ไม่ไปดูงานจนเจอเจอเธอนี่แล้วได้แต่งงานไปเรียนหนังสือระวังเธอรวมทั้งบุญบวชไปบ่อยของตัวลูกคุณข้าวแม่จะได้รับบุญอย่างไรพญาตัวาลูกจะได้รับบุญอย่างไรครับครอบครัวลูกและชาชิคาโกอยากเห็นว่าภาวนาชิคาโกมีสถัทาที่ใหญ่โตขึ้น ก็สร้างให้ญ่ๆสิโดยไม่ต้องปฏิบททัติธรรมรัติพังศาธิชนเพียงพอสําหรับจะปฏิบัติธรรมพิเศษรเราต้องปฏิบัติธรรมมันหยุดด้วยเพื่อเป็นศูนย์กลางภาคกลางภาคพื้นอเมริกาลูกจะมีบุญทำให้สําเร็จไหมครับอืมีจ้ะถ้าทําให้มันเสร็จเนี่ยมันก็จะสําเร็จทันทีแต่ใช้เวลานา น, นเท่าไหร่ก็เท่ติดใจลูกปรารถนา<อ> <c oughs> ตัวลูกพยาแล้วลูกทั้งสาคนใครสร้างบา ร, รมีกมู่คณะ มาหรือไม่อย่างไรแล้วพุทธนอนที่แล้วลูกคำถามหน้าถามนะนมรอบสองถามที่ร้องเพลงเลยลูกไปทหาราราชอาองี่ออกบวชหรือไม่ยังมีหน้ามาถามก็เป็นครูเอื้อนสุนทรสนุกเนี่ยอ้แต่สามารถติดตามพิธีศิลปบริวงบนพิเศษเขมโรอมบริศัทได้หรือไม่อย่างไรครับ จำเรื่องราและคำถามได้ัหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันมันตุ้มตาตื่นขึ้นม า, านแล้วนั่นก็เอานำมาไล่ความเป็นายิปรมปรากันจ๊ะฟังเป็นญญปป น, ปนิยายกันนะจ๊ะ้ามีคติก็เอาไว้ติดขาติดแข้งไม่ต้องใส่บาแบักหามจะได้ไม่หนักคุณพ่อไม่สูบบุรี่ไม่ดื่มเหล้าแต่ทามาเป็นเอเจนขายบุหรี่เพราะ ขาดการสั่งสมปัญญาในทางธรรมจรึงไม่ได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงขอ ง, ของชีวิตว่าทําอย่างนี้นี่ยมันมีโทษอย่างไรจรึงทําอาชีพนี้ไว้เลี้ยงครอบครัวกับนายดีทําทานแล้วก็ไม่เดติษฐานล้อมกรอบให้รอบครอบว่าขอให้บุญที่ทานี้ไปดึงดูดทรัพย์ที่ได้มาจากสัมมาอาชีวะจ้ะ เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราสมบูรณ์รกราตอธิฐานประซับจะได้มาก็ตั้งได้มาอย่างบริสุทธิ์ถูกหลักวิชาถูกสัมมาทิพย์วะจะได้เย็นเย็นแบบผู้มีบุญในการก่อนจะได้ไ ม, ม่มีวิบากกรรมไงล่ะจ๊ะคุณพ่อมีอายุสรรั้นถูกรถชนเลือดข้างในสมองตายเพราะเนือดีดไดเกิดในสังคมเกษตรกรรมเห็นไหมถ้าเกิดในสังคมเกษตรกรรมเมื่อไหร่จะเจออย่างเงี้ยได้ข่าสัตว์ให ญ, ญ่เอาไว้เยอะเช่นข้าวัว ก็เป็นอาหารและค่าขายเป็นประจํามาส่งผลใช่ตายแล้วก็วนเวียนหยุดพักหนึ่งแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วดีบุญที่ท่านทําไว้รวมทั้งบุญที่อุทิศไปให้ทา่านด้วยใช่แต่ว่าตอนนี้ก็สื่อสารกันไม่ได้แล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ไปแล้วทิ้งล่องรอยว่าเคยเป็นบิดากระบุตรเอาไว้เท่านั้นแหละแล้วก็เรื่องราวแต่หลังจากนั้นก็ไรร่องรอยไปเป็นมนุษย์ คุณแม่มีสายตาซาละฟาฟ้าฟามองไม่เห็นเพราะความเสือ่อมไปตามวัของท่านในปัจจุบันรวมถ้ามีเศษกรรมเล็กๆน้นอยๆมาส่งผลจังเคยจับปลามาขังไว้ในตุ่มในองค์อีกทั้งบางครั้งในการค้าขายก็ตั้งโกหกจึงทำให้ที่จริงไม่ต้องโกหกก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยไปตั้งค่านิยมไว้ว่าค้าตั้งโกหกบอกไม่มีกาไรใครก็ไปเชื่อ มันมีกำไรมาขายทำไมก็่แล้วแล้วก็บอกมันมีกำไรพออยู่ได้ไไดที่จะเลี้ยงตัวเองได้แตกต่างกว่ากับไปอย่าไปบอกไม่มีกำไรไม่มีกำไรขายใหม่ใช่แล้วเลิกเถอะ <laughs> จึงทําให้บางครั้งหลงลืมแล้วก็พูดไปได้จ้าเพราะคำโกหกนี่แหละถ้ามีก้อนเนื้ออยู่ที่ปอดหมอฆ่าเราเป็นมะเร็งเพราะกำเนิดดีที่เคยปลูกยาสูบขายไม่แล้วปลูกยาสูบ โลกเษษกษตรกรรมปัจจุบันที่ขายบุหรี่และการมาปธิบัติมรดสงผลนี่เป็นมะเร็งที่ปอดจช่นี่แม้ไม่ต้องสูบเองแหละแค่เคยปลูกส่งแล้วก็สูบขายหรือขายบุหรี่มีสิทธิ์เพราะไปทําปอดก็พังนี่ปอดเราก็มีสิทธิ์จะพังด้วยถ้าไดย้ยื้อยืนรอบบุญนิสัยบาศแล้วถวายพระทหารทั้งในดีและปัจจุบันมาส่งผลจช่นี่ไม่ใช่เจอพระเจอเนรพึงใส่บาไปไว้เชิดแล้วอายุจะยืนอายุอนัตสุขาภรลาปฏิภาณนะ ท่านตายเพราะหมดอายุไขตายแล้วได้ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นเดาเดืองเฟสสามหรืบุญที่ท่านทําไว้ในพระพุทธศาสนาอีกทั้งช่วยท่านทำํำศึกชิงพศอย่างถูกหลักวิชาด้วยได้รับบุญที่ทิพไปให้แล้วท่าน ม, มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นในทุกด้านจ้ะ<ม>เสียงนกที่น้องสาวได้ยินอืก่อนที่คุณแม่จะเสียชีวิตนั้นคืออ่า นกร้องเองนกแสก น, นกแปบบลกนกร้องปกติเพาะมันพู้ภาษาคนไม่ได้มันก็เป็นนกมันก็ต้องร้องเสียงนกแต่มันพูดภาษาคนได้เป็นไง <c oughs> โอ้ <c oughs> คนหัวจะลุกกว่านี้ <c oughs> เออนี่มาร้องเสียงนกก็ยังโอเค <c oughs> ไม่เชื่อลงังคืนนี้กลับไปบ้านนี่นะ <c oughs> พบเข้าห้องนอนเสียงมาทางหน้าต่างนี่เนะีย ทำอะไรอยู่จ้าเป็นไงเป็นไงและเป็นไงเป็นไงอย่างเงี้ยเออกลับมาแล้วเลยจ๊าบางคนมาแหมมนบอกรู้อย่าแบกจิ้งจกพันทักมาถามว่าไงจกจกเปิดโถเอ้ยดีแล้วแต่มันพูภาษาได้คนได้แล้วมันจะยุ่งมันลองจู้จี้ก็โอเคแล้ว พาพัพูดเฮลโลยุ่งนะรับอายุยุ่งนะเสียงนกที่น้องสาวได้ยินก่อนที่คุณแม่จะเสียชีวิตนั้น อ, อีกครั้งหนึ่งคือเพิ่งเอ่อลองเองญญ <laughs> คือการร้องของเสียงนกที่ออกหากินตอกนกลางคืนซึ่งไม่เกี่ยวกับการตายของคุณแม่จะอํามาตาง ตัวนั้นมันล่องแต่คุณแม่ท่านหมดอายุไข่<ส>ายน้องสาวและครอบครัวได้ดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้แนะนาว่าท่านอยู่ในบุญตอนใกล้าตายนั้นกลาว่าเป็นบุญเก่าของท่าน<ม>ที่ได้ดูแลปิด า, ามานามาในดีกับเป็นบุญใหม่ของน้องสาวและครอบครัวปมาจากการดูแลปิด า, ามารดาจะดีอย่างนี้แหละที่ได้ดูแลท่านด้วยความรักและความกตัญญูอีกทั้งเป็นหน้าที่ของลูกที่จะพึ่งปฏิบัติต่อปิดามานา จะได้อนิสงส์ในการดูแลคุณแม่โดยย่อนะยจ๊ะเพราะเวลาไม่พอคือเกิดได้พบชาติต่อไปก็จะได้อยู่ในครอบครัวที่ดีจะได้รับการดูแลเลี้ยงดูอย่างดีมีนบิดามารดาที่ดีที่จะรักเรามากจะมีลูกหลานที่มีกับแต่ความกตัญญูเมื่อถึงคราตกทุกข์ได้ยากกพราะวิบากกรรมใดในชาติใด ช, ชาติหนึ่งมาส่งผลก็จะมีคนคอยดูแลช่วยเหลือเป็นต้นจ้ช่ ข้าพคุรน้องสาวเคยสร้างปริมีกมูคณะมาโดยเป็นกองสเสบียงน้องชายยุสั้นตายเพราะถูกกิ่งไม้ใหญ่ข้ามถ น, นนหล่นลงมาฟาดทิศสาละมันเป็นเหตุที่ไม่น่าจะเกิดนะแต่มันก็เกิดขึ้นได้ร้ในอดีตเคยคอยดักทําร้ายคู่อริด้วยการใช้ท่อนไม้ฟาดทิศษะจนเขาตายคาที่มาส่งผลจะ้ะก็เพราเสำเซโปรแกรมพอตีปั๊บเส็ตโปรแกรมไม่ในการการเหมือนระเบิดเวลาเผลอถึงเวลาที่ จะต้องเกิดเหตุเพื่จะตุ้มมาอย่างนี้เป็นวิบากกรรมส่วนตัวของน้องชายไม่ใช่ตายแทนเพื่อนเพราะตายแทนกันไม่ได้จะไปเชื่อแล้วจะมีใครมาบอกอย่าไปเชื่อ อ, อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อขี่ฮอกสังเพยเนี่ยอออย่าไปเชื่อเร <laughs> า, าตายแทนพี่จะตายแทนน้อง <laughs> อย่าโม่ <laughs> พี่ไมต่ตะกวนแล้วน้องจะตายแทนพี่ <laughs> เพื่อน เราลักนายเนะยเราตายแทนนายได้ขี่ฮกทางเพ <laughs> ขี่ฮกทางเพะไม่มีใครกักดวงวิญญาณ น, น้องตาที่คนทรงบอกจ้าแต่คนทรงต่างกาันนั่นแหละข้าสดอสเดออะไรนี่ตายแล้วไปม็เป็นเวียนอยู่พักหนึ่งมาหมดกรรมแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้ตโตแล้วเจ้ะถึงไม่อาจจะรับบุญที่ยวที่ไปให้เจ้าโ<อ>ลกไม่ได้ยกคุณพ่อแม่ตั้งแต่อายุสิบขวบละ แน่ดีตอนเป็นวัยรุ่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวไปชนภไป oh. แม้บิดามารดาห้ามก็ไม่เชื่อฟัง oh. อิบากัมที่ไม่เชื่อฟังบิดามารดาถ oh. ึงมาทรงผลให้ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันใช่ oh. ลูกส่งเงินให้คุณแม่ใช้ทุกเดือน oh. แต่ไม่ได้ดูแลท่าน oh. ก็จะมีอา น, นิสงส์เหมือนน้องสาวที่ดูแลคุณแม่และจ้ะ จะต่างแต่ว่าหย่อนกว่ากันหน่อยหนึ่งเพราะไม่ได้ดูแลท่านดีมือของตนเองนอี่จะนิดหนึ่งก็หย่อนพระนี้เอาตังแทนตัวแต่น้องสาทั้งตัวทั้งตังและหัวใจลูกต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่เด็กเพราะการได้ดีไปเชื่อฟังคางสั่งของพ่อแม่ที่ห้ามปราไม่ให้ไปท่องเที่ยวต่างมือ น, น, า, นานๆกว่าจะกลับมาบ้านในตอนวัยรุ่นนั้นกล่าวในชาตินั้นแหลจะจ้ะมาทรงผล อยากดูแลตัวเองนะักเอาเลยไม่ใช่ <c oughs> แตลูกและน้องสาวคนแรกมีสายสมบัติติดตัวมันน้อยมาก <c oughs> เราทั้งสองคนทำทรรมมาอย่างเต็มที <c oughs> คือทำเล็กทำน้อยไม่ยอมทำใหญ่ทั้งทั้งที่มีกำลัง <c oughs> ออขยัก <c oughs> ไม่ใช่ขยับเราทาบุญแบบขยักก็ได้บุญแบบขยักสมบัติก็ได้ก็ได้แบบขยักขยักขยักขยันอย่างนี้เลย ดังนั้นเวลาบุญส่งผลจะมีสมบัติกระปิดกระปลอยไม่ค่อยจะมากนะักพิธีแก้ไขก็ต้องทุนเทใจในการสร้างบารมีให้เต็มที่แต่งกำลังอย่างที่อยู่ในปัจจุบันหรือให้ยิ่งกว่านี้นี่ครูไม่ใหญ่นี่ทำทุกวันเลยไม่ให้ขาดเลยวิบากมานคือการที่พยายามมานเขาส่งเสริมเติมต่อวิบัติบาศักสิทธิ์นี่เอาเชื้อวิบัติบาศักสิทธิ์อยากวิบากกรรมเก่า ที่บางอย่างหมดกําลังไปแล้วที่จะส่งผลเนี่ยให้มีกําลังเพิ่มขึ้นมาอีก oh. อธิบายกรรเก่าของลูกที่บางบางอย่างที่กําลังหมดกําลังไปแล้วเนี่ย <Okay. S 1> ปญหาเขา ก, ก็เอาเชื่อวิบัติบาศิกศิตเนี่ยไปเติม mm hmm. ไปเติมนี่ย mm hmm. เขาเชื่อมกันได้ <Right. S 1> ถ้าหากเราทําบุญเต็มที่เขาเชื่อมไม่ได้นะ mm hmm. แต่ถ้าหากเราเผลอไม่ค่อยได้ได้ทำบุญเนี่ย mm hmm. เขาก็เชิบมาอย่างเร็วแรง oh. แล้วก็เชื่อม กบเติมให้มีกําลังเพิ่มขึ้นแปลว่าสิ่งที่วิบากการรมนั้นที่กำลังหมดกำลังก็มีกําลังขึ้นมาทํางานได้อีก mm hmm. นี่ละจ้ะ oh. เพื่อมาขัดขวงางวัทายการสร้างบารมี <Yeah. S 1> โดยเฉพาะตอนที่กําลังจะทําบุญใหญ่มักจะมีอุปสรรคมาขัดขวาง <Yeah. S 1> เป็นต้นจะ้ะ <Yeah. S 1> นี่แหละ ว, วิบากมรรคบุญที่ลูกได้ริเริ่มทายทอดเสียงวิญญาพพับพระและบุญที่ลูกและภรรยามีส่วนในการเบิก ส, สร้างสูงมิบัตรทำที่กาโก รมทั้งบุญบวชบ่อยๆของตัวลูกอืมชอบบวชไปบ่อยไม่มีปัญหาจะบวชกี่ครั้งก็ได้จะชายสามบวชห้าบวชเจ็บวบวชเขไม่เจอเพราะถือว่าเป็นผู้ได้โอกาสแต่ว่าบวชแล้วก็ต้องทําพระนิพพานให้แจ้งบวชเพื่อทำมรรคผลนิพพานบำเพ็ญสมณธรรมบุญบวชไปบางลูกของตัวลูกก็จะทําให้ตัวลูกและภรรยาก็จะมีสายบุญติดเชื่อมกับวิชาธรรมกายมากขึ้น อีทั้งจะได้รูปสมบัติสมบัติและคุณสมบัติมากมายเป็นต้นจ้ะ <ừ> อันนี้โดยย่อเลจ้ะบวชเองหรือสนับสนุนการบวชยังวิสาขาบูชาเนี่ยถ้าเรามาร่วมสนับสนุนการบวชเรา ก, กจ็จะได้เชื่อมกับพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายากนี่นะจ้ะแล้วการตหาพุทธบุตรนั้นไปสร้างบุญอะไรเรามีส่วนแห่งบุญอายุเราจะยืนด้วยแล้วเราได้ สืบอายุพระพุทธศาสนาโดยการสนับสนุนการบวชแต่กับเราให้อายุพระพุทธศาสนาเราก็ได้อายุนั้นมากับมาที่เราทําให้เรามีอายุขายยืนยาวเพราะนัร น, นี้ใครอยากได้บุญอย่างนี้ก็มาเอาบุญนี้ในวันวิสาขาบูชาใชะตทั้งแต่เช้าทั้งวันเลยละคุณพ่อไปเกิดใหมาเป็นมนุษย์แล้วรับบุญไม่ได้แต่คุณแม่จะเป็นเทศิดาก็มีทิพยาตสมบัติเพิ่มขึ้นจ ความปรารถนาของตัวลูกและครอบครัวรวมทั้งชาวชิคาโกอยากเห็นว่าพนาชิคาโกมีสถานที่ใหญ่โตเพื่อต้องการให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมนั้นก็จะสําเร็จได้ถ้าทุกคนสั่งสมบุญทุบุญอย่างเต็มกําลังแล้วระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆอธิษฐานเจตผู้มีบุญที่เคยสร้างบุญร่วมกันมาให้มาร่วมสร้างบุญกันอีกให้จำอย่างนี้ส ม, ม่ำเสมอไม่ช้าก็จะสําเร็จจแน่ จนลกภรรยาและลูกสามคนใครทราบบารมีกหมูขคณะมาแบบกองเะบียงส่วนการที่ลูกถามว่าได้เป็นาหารพระราชาหรือเปล่านั้นพุทธตอนดาที่ผ่านมาตัวลูกก็ได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชจริงๆจชะแต่ไม่ได้ออกบวชตามาเพราะไปเจอดาริ่งคนนี้คนนี้คนที่นั่งไกลๆลูกอยู่แล้วก็ตัดใจทิ้งดาริ่งไม่ได้ ว่าดาริ่งเธอดีเหลือเกินนี่ทิ้งไม่ได้เลยหอประมาณนี้แหละเจงไปทำหน้าที่เป็นกองสเสบียงนั่งกล่าวใช่ยังมีหน้ามาถามอีกชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติทานจิตตาติวิตุสิทธบบุรีวงบนพิเศษเคล็ดวัลลมะโพธิสัตย์จะได้พลัดกันเลยจ้านี่ก็เเรื่องราวขกสตี สั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้